รู้เฉพาะตนโดยดังตรินอยาคิดว่าคเป็นชายตโทบวที่ใบวดตอนสติดีแค่ไหนจึงควรบวดบวดละและดีไม่มีเรื่องบุนในบุญสุกใจต้องสวดมนไปให้บุญโครอกงามบวดละแล้วนั้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 เลี้ยงดูไม่ให้พวกท่านต้องลำบากก็นับว่าเป็นลูกที่มีความกระตันยูกะตะเวทีแล้วครับไม่มีใครว่าเอาได้แล้วแต่หากพ่อแม่เราดีมีความเอาใจใส่เลี้ยงดูเราให้เติบโตไม่ต้องเป็นวิญญาณมืดบอดที่เผชิญกับความไม่รู้อยู่ตามลาพังอันนี้ถ้าคิดจะตอบแทนให้สมน้าสมเนื้อก็นับเป็นเรื่องยากมากน้อยคนในโลกที่จะทำได้พูดง่ายๆคือ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 แต่หากมีความเข้าใจในทุกการรู้ลมว่า น, นิศักแต่เป็นธาตุลมไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวคุณเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปออกไปแล้วต้องเข้ามาใหม่เป็นคนละชุดอันนี้แหละคือการมีสติอย่างนักเจริญสติตามรอยบาทพระสาสดาอย่าคาดหวังจะเอาที่ทำงานเป็นวัดแต่ขณะเดียวกันก็อย่าปล่อยให้ที่ทางานเป็นเขตห้ามเจริญสติ เท่านี้ก็ถือว่าคุณเตรียนตัวเป็นพระก่อนบวดอย่างเต็มภาคภูมิแล้วอยากคิดว่าผมเป็นชายสามโทษเชบวดมีไครบวดมึงพระไทยเพื่อความสุขล้ำบวดพระและดีไม่มีเรื่องบุญในบุญสุขใจต้องสวดมวนไปให้บุญครอบงาม i w o r k d h a r n d e e n